รวมข้อคิดคำคมโดยคุณดังตรินเพื่อความอยู่สบายจะทำโดยจเจริญพรเอี่ยมวงศรีถ้ายังไม่มีความรักอย่าเพิ่งรีบหาความรักแต่ให้เร่งรู้วิธีสร้างความรักด้วยการใจเย็นเป็นเห็นใจเป็นพูดดีเป็นอภัยเป็นไม่เสแสร้งเป็นแล้วในที่สุด ความรักจะตามหาคุณเจอเองสวดมนต์เสียบ้างถึงไม่รู้ว่าภาษาบาลีบอกอะไรแต่ถ้าใจนึกถึงพระก็แปลว่าจิตผูกอยู่กับของสูงแล้วตราบใดจิตผูกอยู่กับของสูงตราบนั้นจิตจะไม่ตกต่ำลงไปได้เลยไม่ว่าจะถูกฉุดด้วยเรื่องโหดร้ายขนาดไหน ถ้าอ่านไม่ออกว่าฝันทำนายอะไรข้างหน้าก็ลองเรียนรู้ที่จะทบทวนว่าฝันฟ้องความจริงใดที่ผ่านมาบ้างเรื่องไหนจริงเวลาจะเข้าข้างเองอำนาจที่ยิ่งใหญ่พอจะก่อสงครามอาจน่าคร้ามเกรงแต่ไม่น่าเคารพ เหมือนพลังใจที่ร่วมกันยุติสงครามคิดไปจนกว่าจะตายว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเท่าใดนักไม่อย่างนั้นความรู้สึกว่าทำอะไรมามากแล้วจะเป็นข้ออ้างให้คุณทำอะไรน้อยลงเรื่อยๆคนดีเลิกรู้สึกผิด ด้วยการคิดแก้ไขผิดให้เป็นถูกตามควรส่วนคนเลวหมดความรู้สึกผิดด้วยการบิดเบือนถูกให้เป็นผิดตามตนถ้าเลือกติดต่อ ง, งานผิดคนอย่างมากงานอาจพังไปเป็นแถบแต่ถ้าเลือกคบคนผิดอย่างน้อยชีวิตต้องพินาศสักช่วงหนึ่ง สุขสร์วันสงบวันที่ใจไม่ทยานอยากเป็นของจริงกว่าสุขสรรวันขึ้นปีใหม่วันที่ใจอยากนอนอยากนี่มากมายถ้ารู้น้อยกว่าจุดที่กำลังยืนถอยกลับเป็ก้าวหนึ่งเพื่อเรียนเพิ่มแต่ถ้ารู้มากกว่าจุดที่กำลังยืนก้าวไปข้างหน้าให้คุ้มกับที่รู้เพื่อสุดท้าย ไม่ต้องตายเยี่ยงคนย่ำอยู่กับที่มนุษย์ใช้เหตุผลทางความคิดในการตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดขณะที่ธรรมชาติใช้ความจริงทางจิตในการตัดสินว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปความถูกต้องส่งเสริมให้เรามั่นใจขึ้นจากการเห็นผลดี ความผิดพลาดช่วยให้เราฉลาดขึ้นจากการเห็นผลร้ายแต่เราจะโง่เท่าเดิมถ้ามองไม่ออกว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลเรื่องร้ายอาจพาคุณไปหาคนดีเรื่องดีอาจพาคุณไปหาคนร้ายแต่จะลงเอยเป็นเรื่องร้ายหรือเรื่องดี ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนดีหรือคนร้ายหลายครั้งเมื่อตัวละครผู้ชั่วช้าถึงคราวตายคาเวทีก็มักมีเสียงโห่ร้องเริงร่าประกอบสีหน้าอันชั่วร้ายของเหล่าผู้ชมแม้แต่เรื่องเล่นๆก็ต้องใช้เวลาในชีวิตคุณไปจริงๆ ถ้าเล่นอะไรแล้วเข้าใจชีวิตมากขึ้นก็ขอให้กลับมาเล่นอีกบ่อยๆเถิดบางทีการพูดความจริงให้หน่าเชื่ออาจยากกว่าพูดให้คนเชื่อเรื่องโกหกเสียอีกโดยเฉพาะถ้าความจริงนั้นดันไม่ตรงกับความเชื่อของคนฟังความร้อนเริ่มต้นด้วยไฟแต่ลงท้าย เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟหรือน้ําถ้าเลือกเป็นไฟก็เผาใจตนเองและผู้อื่นถ้าเลือกเป็นน้าก็นาความเย็นสบายมาสู่ผู้อื่นและตนเองอยากเป็นคนดีร้อยเปอร์เซนมันเป็นไปไม่ได้หรอกตั้งใจเป็นคนไม่มีทุกทางใจเลยสักนิดจะง่ายกว่า หลักแก้กรรมก็คล้ายหลักซักผ้านั่นเองเผลอปล่อยให้ผ้าดําที่ตรงไหนก็ไปแก้ให้มันขาวที่ตรงนั้นไม่ใช่ไปแก้ที่ตรงอื่นอย่ากแก้กรรมหนึ่งด้วยการอ้างความดีอื่นมากลบเกลื่อนถ้าแก่นชีวิตอยู่ที่ใจก็ไม่มีความสูญเสียอันใดยิ่งใหญ่เท่าเสียใจไปอีกแล้ว คนบางคนยอมยกใจทั้งดวงให้กับเรื่องเศร้าเพียงหนเดียวแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรคืนมาอีกเลยตลอดชีวิตที่เหลืออย่าด่าคนอื่นเต็มปากเต็มคำนักเผื่อไว้ถึงตาตัวเองบ้างและอย่าชมคนอื่นแบบน้ำพึ่งผสมยาพิษจะได้ไม่มีใครคิดทำร้ายเราผ่านคำชมในภายหลัง ให้อภัยคนเลวหมดใจแล้วจะรู้สึกว่าต้องไปเกี่ยวข้องกับคนเลวน้อยลงถ้าเชื่อในกรรมวิบากก็เท่ากับเลิกเชื่อความบังเอิญหันมาเชื่อในเหตุผลเมื่อเชื่อว่าทุกสิ่งที่กำลังเห็นล้วนเป็นผลของเหตุก็ต้องเชื่อว่าทุกสิ่งที่กำลังทำล้วนแล้วแต่เป็นเหตุของผล